ต่อไปจะเทศเรื่องความจริงให้ฟังความจริงในตัวตนของเราตัวตนของเรานี่ร่างกายของเรานี่ประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันหลายอย่างที่แยกกว่าเพศไว ผมขนเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามตับปอดไส้ใหญ่ ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลิดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันค้นน้ำตาเปเลวมันน้ำไขข้อ น้ำลายน้ำมมกน้ำมมดนี่คือส่วนประกอบที่เป็นดินเป็นน้ำในตัวตนของคนเราลองแยกออกดูดินก็ไปไว้เป็นดินน้ำก็ ไ, ไว้เป็นน้ำ แยกดินออกก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตลอดไปจนถึงกระหมองศีษะแยกออกไปเป็นสัด ส, ส่วนวางอยู่ที่ราลดไปอยู่ตัวตนของเราอยู่ไหนอยู่กระดูกหรืออยู่เนื้อหรืออยู่เส้นเอ็นนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาน้อมเข้ามาที่ตัวเรา ตัวเราก็เป็นอย่างนี้แย่ออกไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้แตกต่างกันอะไรเลยกับสัตว์ทั้งหลายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเห็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดใจใหญ่ใ้น้อยอาหารใหม่อาหา ร, าหารเก่านี่แหละร่างกายของคน แล้วมันก็ไม่ทนด้วยนะหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีไม่ถึงร้อยปีถึงร้อยปีก็มีเป็นจำนวนน้อยก็ล่วงหล่นไปตามการตามเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเหมือนฟองน้ำฟองสบู่ฟองแฟบฟองสบู่ เป็นต่อมขึ้นมาแล้วก็แตกไปเหมือนตัวตนของคนแหละเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปที่ไม่ตายไม่มีตายมดทุกคนเลยที่ไม่ตายไม่มีหรอกแต่ว่าเวลาตายไม่พร้อมกันทีเดียวนี่แหละ ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราถ้าพิจารณาไม่ไม่ออกคำว่ า, าคนถ้าแยกส่วนต่างๆออกดั ง, ง, ง, งที่กล่าวมาแล้วนะั้นมันอยู่ตรงไหนคำว่ า, าคนผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงเส้นเอ็นเนื้อหนังมังสานี่หรือมันไม่มี มันไม่มีที่แท้จริงสักอย่างเรายืมของเขามาใช้ชั่วคราวยืมของพ่อของแม่มาใช่พ่อแม่ให้เราเราถึงได้มาเกิดเป็นคนมายึดมาถือเอาว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆเหมือนว่าจะไม่แตกไม่ดับจะไม่ตายจะไม่สลายไป เทียบเหมือนเทียนเทียนพอเราจุดปั๊บก็เริ่มสว่างไปก็น้ำตามันก็ย้อยลงมานานเข้านานเข้าก็ไหมไปไหมไปจนถึงไส้หมดไปเลยไส้หมดไปหมดไปน้ำมันก็หมดไปคนที่สุดไส้หมดแล้วก็ดับ คนเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้แหละให้ใครควรพิจนารณาดูให้ดีไตรตรองดูให้ดีว่าตัวเรานี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้จริงๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้แตกสลายได้หมดความที่จะยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนต่อไปไม่ได้แล้วจิตวิญญาณของเราก็ไปสู่ภพภูมิใหม่ต่อไปนี่ก็วัตแต่สงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จากจบจากสิ้นไปอย่างั้นตลอดหาวันจบสิ้นไม่มี ตามในไรที่เรายังไม่ได้เป็นพระชวรบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระลัหันการเรียนร่ายตายเกิดของเราก็ยืดยาวนานแสนนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การกี่ครั้งกี่หนที่ผ่านมาเนะ่เราเกิดมาแล้วนับครั้งนับผลไม่ท่วนแต่เราก็ไม่หลุดพ้นเราก็ยังมีโทษอยู่เราไม่ได้เป็นพระชวรบัน ถ้าเป็นวัชรบัณฑ์เราก็ตัดภพตัดชาติชาติของเราให้สั้นเข้ามาเกิดอย่างชา้าสุดเกียชาติท่านเองเราก็ได้เป็นพระลรหันเราก็พ้นจากกองทุกไปมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นท่านจึงว่าให้หัดปฏิบัติคือหัดพิจารณาเนี่แหละ พิจารณาตัวตนเนี่ให้ดีให้ใจมันเห็นแจ้งจริงพอจักขึ้นมาว่าตัวนี้กายนี้ไม่คงทนถาวร น, นะจะทำบุญให้ทานก็รีบทำจะเอาสเสบียงเดินทางไปข้างหน้ารีบทำรีบทำบุญรีบทำกุศลรีบทำคุณงามความดีไว้ให้มากอย่าประมาท อ, อย่ามัวเมาเพลิดเพลินอยู่ เพราะความเป็นความตายของคนของสัตว์โลกนี่มันไม่แน่นอนกําหนดวันเวลาไม่ได้กําหนดวันตายไม่ได้ไ ม, มไม่เหมือนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนพระอรหันต์ท่านอืมว่าเท่านั้นจะตายเท่านี้นจะตายกําหนดไม่ได้อืมไม่รู้ว่าวันไหนอยู่ดีๆก็เป็นเข้ามาเข้าไปเลยก็มีอืมนี่แหละเดี๋ยวว่ามันไม่แน่นอน แล้วก็มันไม่มีตัวตนด้วยแล้วก็มันเป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกข์นี่หมายความว่ามันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ไหลเรื่อยไปเหมือนน้าที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ก็ไหลไปเรื่อยจนถึงปากทะเลหนวลปากน้ํำนวนจังหวัดสมุทรปราการนวนออกไปสู่ทะเลหลวงจิตของคนก็เหมือนกันทางแต่ละคนก็มุ่งหวังที่จะไป พ้จากทุกข์นั่นแหละก็ไหลไปไหลไปจากน้ําน้อยน้ำคลองเล็กๆคองเก่าๆดาๆอะไรต่างๆมันก็ค่อยไหลไปลงสู่ทะเลไปในที่สุดก็ออกไปผู้ที่ลงสู่น้าแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนคนที่ได้สวดอวบันแล้วตกกษะสโสตาไปว่าเกษะผู้ไปสู่กเกษะไปสู่กเกษะพระนิพพานแล้ว ก็เหมือนน้าที่ลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยานี่แล้วมันต้องไหลลงไปทะเลมหาสมุทรแน่นอนนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาให้ดีทบทวนเข้ามาที่ตัวของเราเนี่แหละ ว, ว่าเรานี่ถ้าปฏิบัติได้เป็นพระโชรดวันแล้วโอกาสที่จะเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระหลานมันก็มีอยู่รอเราอยู่ข้างหน้า ให้เราทําทุกวันทุกวันให้ปฏิบัติทุกวันให้พิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆพิจารณากายนี่อยู่บ่อยๆพิจารณาไปพิจารณามาอยู่งั้นแหะดูไปตรงนี้ก็เป็นขาตรงนี้ก็เป็นแขนตรงนี้ก็เป็นกระดูกดูไปอีกไม่นานเนะาะกีลังวัตยังกายโยกายของเรานี่ไม่กีลังยั่งยืนเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน มันไม่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นท่านถึงว่าอาจีรังวัตยังกายโยูกายของเรานี่ไม่ไม่นานหนอมันไหลไปไหลไปไหลไปสู่กระแสตกแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตกถึงทะเลถึงทะเลหลวง ก็เป็นน้ำมีรสเดียวคือเค็มอย่างเดียวกันหมดน้ำทะเลจืดไม่มีมีตกลงกูดทั่นแหละเหียบน้ำทะเลจืดนอกนั้นไม่มีน้ำทะเลตักขึ้นมากินไม่ได้มันเค็มมากนั่นแหละให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเรานี่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป ให้พิจารณาซ้ำไปซ้ำ ม, ม า, างั้นนหะดูไปดูมาเรื่อยๆเข้ามาดูก็คือเอากิจที่สงบแล้วนั่นแหละมาพิจารณามาดูเหมือนเขามีรถอยู่คันหนึ่งคําว่ารถก็คือทั้งหมดทุกส่วนรวมตัวกันเราเรียกว่ารถที่นี้เราจะความไม่มีรถเนะ่ย มันเป็นไปได้ยังไงคือแยกส่วนนั้นออกประตูออกหมดทุกทุกบานประตูรถนะเอาออกแล้วเอาโครงออกกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเอาออกหมดเอาเหล็กทั้งหลายออกหมดหม้อหน้าหมอ้หมอกองหมอ้อไฟอะไรต่างๆเอาออกหมดเอาไปวางไว้เป็นส่วนส่วน วางไว้แต่ละส่วนละส่วนว่างไว้จะทำยังไงบ้างนี่ก็ให้พิจารณาวรุดมันไปอยู่ไหนล้อก็ อ, ออกหมดแล้วเด็กก็ อ, ออกจากการหมดแล้วคำว่ารถดอยู่ที่ไหนบัานีอยู่ที่ล้อหรอล้อก็อ เ, เป็นยางอยู่ที่โกบร้อหรอหรืออยู่ที่ไหน อยู่ที่พวงมาลัยอา้าวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันไม่ได้เป็นรถแล้วน่ะมันแย้วมหมดทุกส่วนนะ่ะเอาออกไปนะเลี่ยงลายกันว้วยคําว่ารถก็หายไปแต่เทาประกอบเข้าประกอบส่วนต่างๆเข้าเหมือนเดิมก็เป็นรถเหมือนเดิมถ้าแยกออก กม็มีคําว่ารถนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้ตัวตนของเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราแยกออกไปหมดแล้วผมคนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกความตาปอดเราโคตรเราออกจากการหมดแล้วไม่อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคํำบรรลุก็หมดไปหายไปนี่แหละ เป็นอย่างนี้แหละรถก็ไม่มีตัวรถก็เป็นอันนี้จังเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันซื้อมาใหม่ใก็ดีหมดทุกอย่างเกาไปห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีพิเศษเหล็กไปเลยบ้านเราไม่แยกมันก็แยกข้อมันแยกไปอันนั้นก็เสียไปนี่ก็เสียไปในสุดก็เสียหมดทั้งคันใช่ไม่ได้เลยค่ะมอเตรถก็หมดไป ถ้าเป็นรถเก่าเขาขายเป็นเศษเหล็กไปเลยนี่แต่เป็นใหม่โอ้ยเราเช็ดแล้วเช็ดอีกอกลัวฝุนกลัวอะไรมาติดแหมลักหน้าดูเลยแต่พอสิบ ป, ปียี่สิบปีให้หลังวยตาก็เสียกระจกซองหลังก็เสีย อันอันนี้ก็เสียในที่สุดใช้ไม่ได้เลยโดดขันนั้นสุดสลมไปสลายไปเมื่อลายไปตัวเราก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปให้เห็นอย่างนี้หเห็นเหมือนฟองน้ำ หรเห็นเหมือนตอมน้ำอยู่บนใบบัวพอต้องส่อแสงพระอาทิตย์ก็เหืแห้งหายไปน่เหมือนกายของเราเหมือนตัวของเรานี่แหละอยู่ได้ส่วนระยะการหนึ่งเวลาหนึง่งก็ไปแล้วเหมือนน้ำบนรอยโคหน้าฝนรอยโคหยาบไปนฝนตก ใส่น้ำก็ขังอยู่พอต้องแสงว่าอาทิตย์วันสองวันก็เหงื่อแห้งหายไปไม่เหลืออะไรอยู่เลยให้พิจารณาอย่างนี้ว่าตัวตนของเราก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปอย่างนี้นี่น้องเข้ามาใส่ตัวเห็นใบไม้เหลืองโอ้ใบไม้เหลือง ต่อไปก็ต้องหล่นจากขั้วหน่อยหนึ่งก็หล่นจริงๆหล่นลงมาต่อไปก็เป็นครั้งแรกก็เป็นใบไม้เหลืองอยู่ซึ่งเราก็ดูตั้งแต่ต้นทีมันเป็นกิ่งเป็นก้านสาขาค่อยแตกใบออกเป็นใบอ่อนต่อมาก็เป็นใบแก่เขียวแก่ขึ้นต่อมาก็เป็นใบเหลืองคือนานแล้วก็เหลืองพอเหลืองแล้วก็หล่น พอหลนจากขั้วแล้วก็ลงมาสู่ดินต่อไปต่อไปถูกแสงอาทิตย์สุกลมถูกแดดหลายครั้งหลายหนเข้าก็แห้งกรอบในที่สุดก็เป็นปุ๋ยนั่นสลายไปเอามาเป็นอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นได้อย่างเดียวคือปุ๋ยนั่นไปอย่างนั้น พอให้พิจณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละพอเจตัวเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นอย่างนี้เป็นเป็นอย่างใบไม้เหลืองนี่อืมอีก5้าสิปีหกสิปีข้างหน้านี่นับจากที่นี้ไปถึงหกสิปีข้างหน้านี่ก็โอ้ยนนไปอยู่สวรรค์ชั้นดูสีโนอนฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่นนทเลย ไม่มีใครเหลืออยู่มากหรอกถ้าอีกหกสิบปีข้างหน้านะสมมติว่าตอนนี้เราสามสิบปีต่อไปอีกอีกหกสิบปีไปนี่มันเท่าไหร่แล้วมันเก้าสิบปีนะคนที่จะถึงเก้าสิบก็หายากเต็มทีเราก็ไปกันแล้วไปก็ไปถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วหรือว่าไรมันบรรลุมรรคผลแล้ว ไปที่ไหนก็ไปเถอะไม่ได้วันไหวแล้วพอตายแล้วก็ไม่ตกนรกเนาะคนปฏิบัติธรรมได้ธรรมะแล้วได้สุดาบันแล้วก็ไม่ไม่ตกนรกแล้วตายไปก็ไปสวรรค์เรามั่นใจผ่านนั้นเราไม่ได้เชื่อด้วยคำพูดอย่างเดียวมันเชื่อเข้าไปถึงหัวใจห่ืน่นะ อืทำไมจึงเชื่ออย่างนั้นก็เร า, าเชื่อพระพุทธเจ้าดีพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงเนอะืยท่านดนสวราบัแล้วก็ไม่ไปสู่นรกเลยนั่นอบา ย, ยภูมิทั้งสี่ปิดเลยเนี่ยอบายะภูมิทั้งสี่มีอะไรล่ะสัตว์ดีรษานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสี่อย่างเนี่ย เราไม่ต้องไปเลยไปสวรรค์กับม น, นุษย์นี่เท่านั้นนี่เกิดมาไม่ตกต่ำนะมันเป็นอย่างนั้นแหละการปฏิบัติรำก็เป็นอย่างนั้นแหละมีพผลมีอนิสงส์แก่เรามากให้สังเกตดูเรามาปฏิบัติด้วยความศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เวลาเรากลับไปหมดหมดเวลาปฏิบัติเกียครบเกียวันแล้วเรากลับไปที่บ้านมาเนี่โอ้เรายังจําความรู้สึกว่าเราสบายได้อยู่อืมสบายสบายจิตใจก็สบายอือยู่ยังไงก็สบายทํำยังไงก็สบายสบายในหัวใจ มาแล้วก็อยากมาอีกมาแล้วก็อยากมาอีกอยากปฏิบัติให้มันทะลุทะลวงขึ้นไปจนถึงโน่นน่ะถึงพระรหันโน่นน่ะแต่ว่ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปกิจสงบก็ดีแล้วกิจสงบแล้วมันก็ต้องมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่จะเกิดขึ้น ม, มันเกิดขึ้นได้อย่างจริง พเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าพราะพระุทธเจ้าว่าผู้ปฏิบัติตามทำคำสอนของพระองค์สมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติพอได้มันก็ได้นะถ้าปฏิบัติไม่พอได้มันก็ไม่ได้ถ้าปฏิบัติพ อ, พอเต็ม บุญเต็มบารมีเต็มมันก็ได้ในปัจจุบันภายในกติวันนี่มันต้องได้คุณธรรมขึ้นมาจิตใจของเราก็จะสงบเยือเกเย็นมีความสุขแต่ก่อนลูกหลานออทะเลาะกันเราก็ไปทะเลาะด้วยแต่ถ้าเราได้ภาวนาแล้วนี่ลูกหลานทะเลาะกันใจเราก็สบายอยู่เฉยอยู่ ไม่เป็นทุกข์นั่นหรือคนนั้นว่าให้เราคนนี้ว่าให้เราเราก็ไม่ทุกข์เราก็เฉยๆอยู่เราก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีกังวลอะไรเลยจิตใจเราก็สบายอยู่เหมือนเดิมเขาว่าก็ว่าทีหูเราอยากฟังเขาก็ฟังไปไม่อยากฟังก็เล้วไปเข้าสมาธิไปลราทำความสงบไปใจเราก็สบายไป เย็นอยู่ภายในลึกๆนั่นแหละเราเห็นสวรรค์อยู่ในตัวแล้วเราได้เห็นพระนิพพานอยู่ในตัวแล้วใจเราเป็นสุขมากสงบมากเย็นมากสบายมากไม่กังวลอะไรเลยใจสบา ย, บายไม่ได้กินก็สบายอ่า น, นจะหาที่ไหน ถาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ารอนให้โศกแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับความสบายใจเป็นธรรมดาเพราะอะไรพ่อสอนให้ทำใจให้สงบเนี่ยทำใจให้รู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งขั้นไหนมันก็ทุกขั้นนั่นแหละตั้งแต่โสดานสกิทาคานาคาลหันไป พรพุทธาว่าปฏิบัติเจ็ดวันผู้ปฏิบัติเจ็ดวันก็สามารถได้บรรลุมากผลได้อันนี้ไม่ถึงเจ็ดวันพอปฏิบัติมันก็ใจมันก็สบายเล้ยเราได้ขั้นไหนอันนั้นอย่าเพิ่งถามเพราะว่ามันพูดยากแต่ว่าใจของเรามันสบาย นั่งอูมันก็สบายนอนอยู่มันก็สบายทำไมมันสบายเพราะว่ามันสงบมัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนั่นเราอ้างพุทธพจน์เลยแหละสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี พอทำใจให้สงบได้มันก็มีความสุขเลวจะได้โสดาหรือได้อนาคาอะไรต่างๆอรหันเลยอันนั้นเป็นชื่อชื่อสำหรับผู้ที่ได้ขึ้นไปแต่ว่าดูที่ใจสิใจมันสุขสบายไหมละ่ะถ้าใจสุขสบายมันก็ถูกแล้วถ้าใจไม่สุขสบายมันก็ไม่ถูกอืม เป็นกกนิตกังวลนั้นนี่ยุ่งเยอะสับสนวุ่นวายปันพวนอันนั้นมันไม่ถูกเมื่อมันไม่ถูกมันก็กลังวนสับสนวุ่นวายแต่ทำถูกแล้วมันอยู่ยังไงมันก็สงบเย็นสบายอยู่นี่แหละท่านจึงให้ภาวนาให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจพิจารณาเรามีหน้าที่สองอย่างเท่านั้นมาอยู่ที่นี่ หน้าที่หลักของเราส่วนหน้าที่ปีกย่อยอื่นๆไม่ไม่่มมเก่าเอาเฉพาะปฏิบัตินี่แหละหนึ่งทำใจให้สงบสองทำใจให้รู้แจ้งคือทํามสมาให้จิตสงบทำวิปัสสนาให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงเพราะได้เทศมาแล้วนั่นแหะวิปัสสนาคือแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายออกจากกันนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาละ มียูหนังสือธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวท่านจัดทาไว้แจกจ่ายแก่ ญ, ญาติโยมทางเราก็พิมพ์มาตั้งลูกศิษย์คุณพีนิธิกับพวกเอไอทีพิมพ์มาให้ถั้งห้าร้อยเล่มเหมือนกองพ่อเนินอยู่ที่ในโกดัง ฮันเนี่จกญาตโยมให้เอาไปพี่กแกลาหนาว่าตัวตนของเราเป็นอย่างนี้แหละอืหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ฮันเราก็ปร่งตั้งแต่เรายัางไม่ตายเนี่ยเราปรงแล้วเราวางแล้วเราไม่ยึดถือแล้วไม่ยึดถือแล้วก็มีความสุขแล้วคนถ้ามียึดถืออยู่มันก็มีความทุกข์อยู่ ถ้าไม่ยึดถือแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่ยึดถืออะไรเลยรูปก็ไม่ยึดถือเวทนาก็ไม่ยึดถือสัญญาก็ไม่ยึดถือสังขารก็ไม่ยึดถือวิญญาณก็ไม่ยึดถือรูปนาํานี่ไม่ไม่ยึดถือเลยรูปก็ไม่ยึดถือนามก็ไม่ยึดถือนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่น bothers. อันนี้เป็นนามเราไม่ยึดถือเลยรูปคือตัวตนของเรานี่เราก็ไม่ยึดถือเราปล่อยวางเลยใจเราก็สบายทันเอแต่ถ้าเรายังยึดถืออยู่ใจเราก็มีทุกข์อยู่การเกิดของเราก็มีมากอยู่ถ้าเราวางได้เราก็ไม่ยึดถือมันก็ไม่กลับมาทุกข์อีกทุกข์ก็หมดไป เมื่อากรรมฐานไฟดแดงๆนี่แหละกรรมปั๊บเข้ามานี่มันร้อนนี่เราไม่ยังว่ร้อนแล้วกรรมเข้าไปเลยกรรมเข้าไปอีกโหยกว่าไฟมันจะดับก็เนื้อหนังของเราก็พองเลยสิไม่มือไม่นั่นเข้าไปหมดเลยแต่ถ้าเราเห็นเราร้อนปับ๊บวางปับ๊บทันทีเลยนั่นแหละพอเราวางวับนั่นแหละคือการบรรลุมรรคผลเกิดขึ้นในใจของเรา พอกระทบอารมณ์ปับบวางวับทันทีเลยไม่ยึดเลยปล่อยวางไปเลยทิ้งไปเลยไม่เอาแต่ไม่ใช่ไม่เอาแล้วโมโหนะไม่เอาคือไม่ยึดไม่ถือไว้ไม่กัมไว้พอมันร้อนยึดถืออะไรก็ปีทุกทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าราคคีไฟคือราคะ โทสะขีไฟคือโทสะโมหะไฟคือโมหะราคะโทสะโมหะราค า, าความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่รู้อริยสัจธรรมไม่รู้บาปบุญคุณโทษนี่อันนี้มันเป็นไฟไฟไหม้ใจของเราไม่เป็นพบเป็นชาติเป็นกลับเป็นกันเป็นร้ายกลับหลายๆกับ ว่าเราจะมักพ้นจากทุกนี่มันใช้เวลานานท่องเที่ยวอยู่ในวัตจนี้นานแสนนานด้วยเหตุนี้จึงพากันตั้งใจเฝ้าพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าประกอบส่วนเข้าอย่างนี้ในที่สุดก็ต้องแตกสลายแยกออกจากกันเขาเรียกว่าธาตุแตกขันดับนั่นน่ะขันห้านี่ก็ดับไป ธาตุแตกก็คือร่างกายแตกกระจายไปหรือว่าตายไปอินทรีย์สลายไปนี่แหละขันดับก็ธาตุแตกขันดับขันห้าก็ดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปก็ไปสู่ภพภูมิใหม่กิจวิญญาณที่อยู่น่ยก็ไปสู่ภพภูมิอื่นต่อไปคือแตกดับไปแล้วก็ไปสู่ภพภูมิอื่น ไปเกิดอีกพูดง่ายๆ ไ, ไปเกิดเป็นหมาก็ได้เกิดเป็นหมูก็ได้เกิดเป็นแมวก็ได้เกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ได้บางคนเลี้ยงแมวไว้เยอะนี่กิจใจกังบนกับแมวแมวแมวอืะไปไหนก็ไปไม่ได้ห่วงแมวพ่อแมวหลายตัวจะมาปฏิบัติธรรมก็มาไม่ได้ห่วงหมาห่วงแมวจะทํายังไงดีนาะ ถ้าเราไม่มีมรรคผลตายไปพับเราต้องไปเป็นหมาเป็นแมวแน่นอนนี่เราต้องเป็นหมาเป็นแมวเราต้องไปเป็นแมวเงี้ยวเง้วเงี้ยวเข้าหัเนะ่ยเราพอเรานอนใจอยาขาดอยู่แล้วเดีก็ได้ยินเสียงแมวแวบๆบแบบใจก็ยืดเอาแมวเง้วคําเดียวเท่านั้นเสร็จเลยนั่นน่ะไปไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ ไปนรกก็ไม่ได้ไปเป็นสัตว์นสิสานดยเป็นแมวเลี้ยงหมาไปเ้เยอะๆก็เหมือนกันเป็นห่วงหมางอยู่ไอโจไอเบิมไอนั่นไอนี่มันเป็นยังไงนาะมันตายมันมีคนออเอาข้าวให้มันกินหรือเปล่าเขาทําอะไรมันหรือเปล่ามาที่นี่ก็คิดถึงแต่แม่แต่หมาอยู่ในที่สุดก็ตายปั๊บ กรรมนิมิตคตินิมิตปรากฏขึ้นมาก็เป็นหมาเป็นแมวพขาเกิดเป็เป็นหมาห้ามันมีกริงนะคนเกิดเป็นหมานี่มีอยู่ในธรรมบทเนี่ยธนวาไว้อยู่อือเป็นห่วงเด้เกิดเป็นแมวเป็นหมานี่แหละเพราะอะไรเพราะเราจิตยังยึดยังถืออยู่ด้จิตมันยังยึดยังถืออยู่มันก็ต้องเป็นหมาเป็นแมวไปตามเรื่องอันนี้ไม่ได้ ว่าให้ญาติโยมนะว่าผู้กังวลเป็นห่วงหมาห่วงแมวก็ยอมจะได้เกิดเป็นหมาเป็นแมวนั่นแหละพอเป็นห่วงมันเนีจิตใจเป็นห่วงเป็นห่วงแมวเป็นห่วงหมาอคนมีนกก็เป็นห่วงนกก็เกิดเป็นนกอีกคนนั้นก็ดอกีอย่างนี้แหละ มีอะไรเ็เป็นห่วงอันนั้นเป็นกังวลอยู่กับอันนั้นตายไปเราก็ไม่พ้นจากทุกข์อย่าไปกังวลกับมันกังวลกับให้คิดถึงธรร ม, มะอยู่ตลอดเวลาให้ดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาให้วางความยึดถือยึดมั่นสำคัญหมายในตัวในตนอันนี้ให้พิจารณาดูให้ดี การเกิดมาของเราชาตินี้จะเป็นชาติที่เราต้องได้ธรรมะแน่นอนอย่าถอยเลยอดทนเอาแค่นี้ความทุกข์ในนรกมากกว่านี้อความทุกข์ความเดือดร้อนในนรกอื่นในภูมิอื่นเรียกว่าศาตร์ดีล่าสารเปรตอสุรกายมันยิ่งเล่าร้อนกว่านี้อีกมันยิ่งทุกข์กว่านี้อีกเราอดทนเอา ตัง้งใจปฏิบัติเอาให้มันได้ถ้าได้แล้วเราก็สบายใจได้ว่าเราจะไม่ไปไหมในนรกอั่งนี้ต้องตั้งใจปฏิบัติทำความภาคความเพียรให้อดให้ทนอย่าถอยอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจในการปฏิบัติให้ตั้งใจปฏิบัติคอยกาหนดรู ล, ลมหายใจเข้าหายใจออกไว้ คอยพิจารณาเอาความสงบนั้นแนหะพิจารณาพิจารณาไปพิจารณาตามตัวตามคนของเร า, าไปให้เห็นว่าเออส่วนนี้เป็นขาส่วนนี้เป็นแขนส่วนนี้เป็นกระดูกส่วนนี้เป็นหลังเป็นกระดูกหลังกระดูกคอกระดูกกรกศีษะกระดูกขากระดูกเท้าอะไรต่างๆน่นี่ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาไปพิจารณาไป มันก็ค่อยละเอียดขึ้นวันนี้ไม่ได้วันหนะ้าต่อไปมันต้องได้ได้อะไรล่ะได้ธรรมะในใจแล้วนี่นสิ่งที่ควรได้ก็คือมรคนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้หวงห้ามไว้เฉพาะคนอินเดียนะให้ทุกคนในโลกนี่ท่านว่าโลกานุกรรมปายะเจริญฐพิกเวจาริกัง พระุชนาฮิตายาพโนพระอุชนาสุขายะโลกาโนกรรมปายาท่านว่าดูก่อนเสีงหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์โลกนั่นศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าสอนให้เพื่อโลกชาวโลกปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสุขความเจริญ น, นั่นมันเป็นอย่างนั้น พุทิยาวโรกาณุกรรมปรายะโรกาณุกรรมปรายะก็คืออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกสงเคราะห์โลกสุวัตะนีแหละคนที่มาเกิดในทุกๆคนะทั้งประเทศไทยประเทศอื่นทั้งประเทศต่างๆที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ใจก็สงบดีเป็นสุขได้มี คุณธรรมขึ้นมาในใจมีมรกมีผลขึ้นมานั่นท่านว่าดวงตาของสัตว์โลกนี่ยังมีอยู่มีดวงตาอยู่ผู้มีธุลีในดวงตามีน้อยมีน้อยอยู่ก็มีคือว่าธุลีคือว่าสิ่งที่ปิดบังตาไว้ไม่เห็นอาจเห็นทมคือตาในตาใจของเรานะ่ไม่เห็นอาจเห็นธรรมแต่พอเราปฏิบัติไป มันก็ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆมันก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปทุลีในดวงตาก็หมดไปตาเราก็สบายไปตาก็คือตาไหนตาใจตาที่เห็นธรรมตาที่พ้นจากทุกข์นั่นแหละให้พิจารณาไปทําไปอย่าถอยการปฏิบัตินี้มันไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อคนอื่น ให้ปฏิบัติเพื่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปฏิบัติเพื่อน้องเพื่อพี่มันปฏิบัติเพื่อเราคนเดียวปฏิบัติเพื่อตัวเรานี่แหละได้ดีก่าตัวเรานี่แหละได้ดีได้สุขได้ทุกข์ก่าตัวเรานี่แหละได้สุขได้ทุกข์เราปฏิบัติไปเราเห็นอาจเห็นธรรมหัใจเร า, า seule, นี่แหละเห็นอจเห็นธรรม ไม่ใช่คนอื่นหรอกเห็นด่าเห็นทำคนอื่นไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ผู้ปฏิบัติต้องได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นนิสัยปัจจัยเพื่อมากขดนิพานเป็นพระอรหันต์ในอนาคตอืมถ้าเราได้คุณธรรมก็ดีจิตใจเราก็สบายตั้งใจปฏิบัติไปให้อดทนมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเก็บมันปวดเหมือนกันแหละ โยมก็ผู้ปฏิบัติีกษ์นนี่ก็เหมือนกันอัตมาก็เหมือนกันบางทีก็เก็บหลังเก็บเอวเหมือนกันอนั่งนานๆก็เหนื่อยเหมือนกันอาจารย์ไผ่บุญก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันอออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไปนวดไปคั้นไปบีบไปตรงนั้นตรงนี้นันน่นแหละอแก้เหนื่อยแก้เมือ่อย มันเหนื่อยมันเมื่อยมาทุกคนนั่นแหละเพราะมีสังขารร่างกายเพราะมีตัวตนเพราะเรามายึดถือเอากายนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ต้องคอยสั่งสอนตัวเองเทศให้เจ้าของฟังคนเกิดมานี่ไม่เที่ยงคนเกิดมานี่เป็นทุกข์คนเกิดมานี่เป็นอนัตตาอืมนั่นแหละ ถึงว่าให้ทํามันจะยากวันไหนก็ให้มันยากดูถ้าเราทําไม่ได้ในชาตินี้นะเราจะเอาชาติไหนชาติหน้าหรือชาติหน้าไม่มีไม่มีคนไปจัดคอร์สหลอกชาติหน้านะ่ะ อ, อไม่รู้ว่าอาจารย์ไพล์บุญจะไปไหนอัตมาจะไปไหน อ, อืก็ไม่รู้เหมือนกัน อ, อมองหามาเห็นหรอกหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดนี่ม่เห็นแล้ว ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วเราไม่มีคนไปจัดคอตอีกเราจะได้ไปเอาคอตหน้าอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเอาคอตนี้แหละคอตที่ปฏิบัตินี่แหละที่เรากำลังมีร่างกายแข็งแรงอยู่นี่แหละให้ตั้งใจเอาตั้งใจปฏิบัติเอาทําเอาอย่าถอยถ้าลงตามหาบัวสู้ไม่ถอยสนะ ท่านสู้ไม่ถอยจริงๆประเทศชาติเรานี่มีทองคำเป็นหลายๆสิบตันอืสามสิบสี่สิบตันโอ้โยเยอะแยะเลยมีเงินคงค้างมากมายท่านทำไวครูบาอาจารย์ท่านหนีทุกได้แล้วท่านไม่เป็นทุกแล้วกระดูกของท่านก็เป็นวัฏฏาหมดแล้ว ท่านจะมาห่วงใยอะไรบ้านท่านหมดคาระที่จะได้มาเกิดในมนุษย์หรือที่ไหนๆอีกแล้วท่านถึงสูขอันแท้จริงแล้วท่านช่วยชาติช่วยบานเมืองไว้ก่อนที่ท่านจะจากไปก็ถือว่าเป็นยอดแล้วว่าเสด็จได้นั่นนั่นแหละเราก็ในร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านตามกําลังของเราก็ถือว่าดี เราได้ทําบุญกับพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมประเสริฐละบุญของเรานะเนี่ะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความมั่งมีสีสุข ม, มีอยู่มีกินมีเงนินมีทองอันนี้เนียก็ปฏิบัติความดีทําความดีไว้กับตัวถ้าเราทําความดีไว้ความดีก็เป็นของเราถ้าเราไม่ได้ทําไว้จะเป็นของเราได้ยังไง เป็นของเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้ทีเดียวเลยอย่างนี้นะให้พากันตั้งใจอดทนเอาอย่าถอยอย่าคิดว่าโอ้ยออ ข, ขอดหน้าใครมาปฏิบัติเถอคอดหน้ามันมาไม่ได้ข้อนี้ให้เปิดให้ครูคนเก่านี่ปฏิเสธไปเกือบหมดคนเก่านี้ให้หยุดไป โทรมาเป็นร้อยหนยนะ่ะคนเก่าไม่เอาเอาเฉพาะคนใหม่คนใหม่ก็คือพกครูทั้งหลายที่มีเวลาว่างปิดเทอมแล้วเนี่ยให้มาปฏิบตัติใหได้โอกาสนี่ส่วนคอร์ธรรมดานั่นคนทั่วไปก็มาได้หมดแต่พกครูบาอาจารย์ก็มาไม่ได้แต่คอร์ดนี้อนุค์สงเค์ ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีงานมีการให้ได้มาปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ในโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมนี่อัตมาก็มองเห็นหลายคนอยู่ที่นั่งอย่นี่ที่ตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่ก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพอ อ, อเป็นอะไรต่ออะไรหลายคนเป็นผู้อำนวการโรงเรียนต่างๆนั่นเนี่ย ที่อยู่ได้โอกาสมาปฏิบัตินี่ถือว่าโชคดีแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันเมื่อยทานข้าวมือเดียวมันเมื่อยเราก็มีอาหารว่างเราก็มีน้ำปนานะก็พอทนอยู่ได้เพราะพุทธเจ้าฉันข้าวสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็ไม่ได้ฉันอีกก็อยู่ได้เป็นตั้งหลายตั้งสี่สิบเก้าวัน ไม่ได้สันข้าวเลยก็ อ, อยู่ได้แต่พวกเราทำาป น, นั่นตายพอดีเลยถ้าอดข้าวกินอิม่มอิ่มเต็มที่แล้วก็ไม่ได้สั่นอีกวันนี้ไม่ได้กินอีกสี่สิบเก้าวันพอดีละเราเสร็จเลยเป็นอย่างนั้นความอดความทนความฝึกหัดมามันไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าโพลงประเสริพระพุทธเจ้าพ้นเป็นผู้เลิศพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายอมีความวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอระทำสิ่งที่ดีให้เป็นตัวอย่างแก่โลก ทำโลกนี่ให้มีความสงบสันติสุขใครปฏิบัติตามทำได้เกิดความสงบขึ้นมาแล้วหรือว่าได้ทํากุศลอย่างอื่นจิตใจไม่เบิกบานไม่มีสักคนที่มาปฏิบัตินี่เห็นแต่โอ้ยมาหาที่แล้วนี่โอ้โหดีจริงๆใจสบายมากแน่ว่าไปอย่างนั้นผู้ผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็พอยดีใจไปด้วยเออดีแล้วดีแล้วโยมดีแล้วที่หน้ามาอีกนะ แน่ก็อยากมาปฏิให้มาปฏิบัติอยากให้มาปฏิบัติอยากให้มาทําความพากคามเพียนถ้ามาบ่อยหลายก็โอ้ยมันจัดที่นั่งให้แต่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ช่องว่างเลยคนใหม่ก็บอกว่าเตรีมแล้วเตรีมแล้วอืพอมาก็มีแต่ผู้ที่เคยมามีผู้ที่มาใหม่ก็ ครึกหนึ่งล่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นใคราวนี้ผู้ว่าอาจารย์หรือนักศึกษาหรือว่าผู้ที่มีงานลางานได้มาปฏิบัติธรรมเต็มที่เลยดีมากๆทีเดียวดีมากๆเลยมาเยอะคราวนี้คนใหม่มาเยอะคนเก่ามีส่วนน้อยอั น, น แต่เราค้นมาก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เหนื่อยก็ไม่ถอยไม่ท้อไม่หมดกำลังใจอดทนเอาทําเอาปฏิบัติเอามันก็จะได้มักได้ผลได้เพระนิพผานฌานสมาธิสมา บ, บัติไปตามกาลังความปฏิบัติของเรานั่นแหละเราปฏิบัติยังไงก็ได้อย่างนั้นเราทำดีเราก็ได้ดีเราทำชั่วเราก็ได้ชั่ว ไม่ใช่ว่าทำดีแล้วได้ชั่วได้ความเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีทำดีแล้วมันตรงไหนดีทำดีที่ไหนก็ดีสุนักขัดตังสุมังขลังสุปภาตังสุมติตังเลิกดียามดีคู่ดีขณะดีดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างกันแหละถ้าเราปฏิบัติตามแล้วมันดีไปหมด มันเจริญไปหมดมันมีความุกไปหมดเลิกก็ดียามันก็นดีอันไหนไหนก็นดีทามันดีแล้ว้ามันไม่ดีอันไหนมันก็ไม่ดีสักอย่างท่านจึงให้ทำความดีไว้เกิดมาแล้วให้ทำความดีไว้ไม่มีอะไรก็หัดให้ทานไว้บริยากทานไว้รักษาชิ้นไว้ปฏิบัติธรรมไว้เป็นของเหล่ากิ่ง ทำให้เกิดสุขเกิดความสงบเกิดความเย็นใจเกิดความสบายเกิดความดีงามเกิดความสว่างสวยอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็เป็นสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขเป็นสุขไปหมดเพราะเลยพระองค์หนึ่งท่านเป็นเจ้าชายท่านปกครองบ้านเมืองท่านปฏิบัติธรรมท่านสละออกมาบวช เจ้าชายพัทยาออกมาบวชพอมาบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระราหารันท่านก็วอาสุขเนอะสุกเนาะสุกสุขนะสุขสุ ข, ส ข, สขมีแต่สุขมีแต่สุขพระทั้งหลายก็เห็นว่าเอ๊ะพระโ อ, อน๋นี่น่าจะหวนคิดถึงคารวะาวิสัยคงจะนึกถึงคารวะาวิสัยก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าให้ตามตัวมาออกมาบาบอกว่าไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตคิดเฉพาะปัจจุบันเห็นอยู่รู้อยู่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วนัน่นก็มีสุขมีสุขมีสบายหลายอย่างหลายประการขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจ พิจารณาด้วยพิจารณาสิ่งที่อรตมาแสดงมานี่ให้พิจารณาคือตั้งใจว่าจะให้พิจารณากาอย่างเดียวก็ให้พิจารณาอย่างอื่นด้วยให้พิจารณาแยกแยะต่างๆออกไปให้เห็นความจริงว่าโอ้ตัวตนของเราเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปอย่างนี้ ไม่กี่หลังยังยืนให้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนฟองน้ำฟองสบู่เกิดมาต้อแตบต้อแตอ บ, ต บ, ตบดับไปดับไปบางคนก็ไปแล้วไปงานศพ บ, บ้างอะไรบ้างนั่นนั่นมันไปแล้วคนมันเกิดมันเป็นไปอย่างนั้นะขอให้พิจารณาเอาพิจารณาถึงความจริงให้มันเห็นเห็นเห็นชัดในใจว่าเออนี่เราไม่ควรยึดถือ มันจะสําระกิเลสให้หมดจากใจของเราเราถึงจะมีความสุขเหมือนเจ้าชายพัทยามีความสุขจนบอกว่าโอ้ยอุทานออกมาว่าสุขน้อสุขนอสุขน้อสุขจริงๆคือสุขสุขมากสุขในใจน่ะถ้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขมากหาอะไรเปรียบปรานไม่ได้ไม่มีไม่มีค่าอะไรที่จะไปเปรียบได้กับความสุขที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรม แสดกมาก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาตัา้งใจปฏิบัติขัดเกากิจใจของตนให้ดีให้งามให้เจริญรุ่งเรืองให้ประเสริฐเติดล้นให้ถึงความพ้นทุกทุกท่านทุกคนเถิด